เราที่ภายในที่ว่ามันมันมีอารมณ์มีความคิดมีความรู้สึกมีความปรุงเราพยายามจะปล่อยวางอะไรไอตัวความคิดอารมณ์ความรู้สึกจุกจิกจุกจิ๊กจุกจิ๊กข้างในไอตัวเราพยายามจะปล่อยวางเราไห่อวางแล้วเราก็พยายามอยู่ไอตัวที่พูดที่บนแรงในเนี่ยไอตัวนี้เป็นสังขารตัวปรุงแต่งทั้งนั้นเลยโยบามาหลายไม่เห็นตัวนี้แล้วเนี่ยคือมันเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางเหมือนกับของที่อยู่บนโต๊ะเนี่ย ที่เน ja ี no no jas, ่ยของที่มาประเคนบนโต๊ะทั้งหมดเนี่ยโยมป้าเมอะไรก็ตั้งใจจริงหรอตั้งใจจริงว่าจะวางทุกอย่างที่บนโต๊ะเนี่ยของที่บนโต๊ะเนี่ยฉันจะไม่ยุ่งแล้วฉันจะไม่ยุ่งฉันจะไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งเลยของที่บนโต๊ะเนี่ยต่อไปจะไม่ยุ่งอีกไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งแต่เราตาต้องการให้เห็นตัวเนี้ยเราก็ไม่เห็นคือ ไอ้ตัวเรานี่เหมืที่เราเนี่ยจะไม่ยอมยุ่งกับใครแล้วเราจะปล่อยวางทุกอย่างแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันเหลืออยู่เนไอ้ตัวเนี้ยที่เราตัวเราไว้เนี่ยต้องวนรักษาตัวเราไว้ว่าเราจะจะไม่ยุ่งกับอะไรแล้วเราจะปล่อยวางทุกอย่างเราเราจะไม่ยุ่งกับอะไรมันจะต้องปล่อยวางไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเราเนี่ยตัวเรานี่จะไม่เราจะไม่ยอมยุ่งกับใครเราเราเราอย่างงุ๊เราอย่างนี like ้เราบ่งงงงงงงงงงงบนอยู่ในใจเนี่ยไอ้ตัวเราที่พยายามจะปล่อยวางปล่อยวางทุกอย่างลงแต่เราไม่ได้ปล่อยวางตัวเรา ความรู้สึกเนี่ยที่มันมันมีความรู้สึกมีความรู้สึกมีความคิดความรู้สึกว่าเราเราเราอย่างนั้นเราอย่างนี้หรือเราจะไม่อย่างนั้นเราจะไม่อย่างนี้เราจะไม่ยุ่งกับใครแล้วเราจะเข้ามาหาใจของเราอย่างเดียวเราจะอยู่กับใจของเราอย่างเดียวเราเราเราจะอยู่กับใจของเราอย่างเดียวเราจะไม่ยุ่งกับใครต่อไปนี้เราจะไม่ส่งไปไหนเราจะวางทุกอย่างเราจะวางทุกอย่างแท้จริงมันต้องวางที่บอกว่าเราเนี่ยเราจะวางทุกอย่าง้จะวางไอเราเนี่ยที่ว่าเราจะไม่ยุ่งกับใครตะเอราเอาเราเนี่ย เราจะไม่อยู่กับใครเราจะปล่อยวางทุกอย่างเอต่อไปนี้เราจะวางต่อไปนี้เราจะพยายามรู้เจ้าทันเราจะพยายามปล่อยวางเราเรามันก็เอาไอ้ตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางอย่างอื่นแต่ไม่ปล่อยวางตัวเราองตาจะพูดอย่างไรเนี่ยตรงนี้ให้ให้โยมป้ามาไหลาเข้าใจสันทีตรงเนี้คือมันมันเห็นแต่ข้างหน้าแต่ไม่เห็นไใ้ตัวอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะต้องมีกรรมวิธีพูดอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวไม่เข้าใจเลยก็สังขารเป็น จิตปรุงแต่งใช่ไหมฮะหลวงตาอืมอืมอืมเป็นจิตตรงปรุงแต่งตัวนั้นเน่ะเราก็วางไอ้จิตปรุงแต่งตัวนี้นะคะหลวงตอืมอืวางถูกต้องเนี่ยถูกต้องแล้วที่วางอย่างอื่นก็ถูกต้องหมดแต่วางจิตปรุงแต่งวางตั้งขานอะไรทั้งหมดอะและไอ้วางตัวเราผู้ปล่อยวางด้วยให้เห็นว่าไอ้ตัวเราผู้ปล่อยวางเขาเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวปรุงแต่งเอ้าเข้าใจไหมเนี่ยยังไงอธิบายดิแต่ไหวตัวกลับมาดิก็ รู้สังขารเป็นจิตปรุงแต่งนะคะหลวงตาจุกจิ๊กจุกจิกจก๊ก็เป็นเป็นจิตปรุงแต่งแล้วก็วางตัวนั้นด้วยแล้วเราในขณะนั้นเราก็มองจิตจิต ท, ที่มันเป็นปรุงติง่งปรุงแต่งที่มันซ้อนขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้อยู่แต่ก็วางวางไม่ใช่ป่าว่าวหลายเดียวยวเ ด, วเดวีวางทั้งสิ่งที่ถูกวางแล้วก็วางพร้อมกันไปเลยทั้งผู้ที่ไปวางเขาอ่ะ วางไอ้ผู้ที่ไปดูเนี่ยวางผู้ที่ไปดูไปรู้ไปวางเขาอะโยมว่ามาไรบอกว่ามันมีสังขารปรุงแต่งมาแล้วก็วางพอมันมีสังขารพรุงแต่งมาซ้อนนี่อีกแล้วก็วางพอมีสังขารพรุงแต่งเข้ามาซ้อนอีกแล้วก็วางมันจะมีสังขารซ้อนๆเราก็วางเนี่ยแต่มันไม่วางให้ตัวเราเนี่ยไปด้วยไอ้ตัวเราผู้ปล่อยวางไอ้ตัวเราที่ไปดูไปรู้ไปวางเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นสังขารให้วางไอ้ตัวผู้วางด้วยและไอ้สิ่งที่ถูกวางสังขารทั้งหมดมันต้องถูกวางอยู่แล้ว แต่ตัวเราผู้ไปวางเนี่ยมันก็เป็นสังขารด้วยไม่ใช่ว่าไปคอยวางแต่ไอ้สังขารที่ซ้อนๆขึ้นมาแต่ไม่ไม่ได้วางตัวเราผู้ไปวางวางสังขารด้วยวางตัวเราด้วยวางผู้ไปวางอ่ะตัวเราผู้ไปดูไปรู้ไปวางตัวเราในขนาดจิตที่ไปดูไปรู้ไปวางแต่ไปวางแต่ละขนาดเนี่ยก็วางอันนี้ไปด้วยนี่ก็เป็นสังขารอหลวงพ่อจะเข้าใจใหม่ไหมเนี่ยดูสิยังไงอาตุบโทนกัลับมาซิ ก็ปล่อยวางสังขารนะคะสังขารประดัแต่งด้วยแล้วปล่อยวางตัวเราเองด้วยปล่อยวางปล่อยวางตัวเราเองเนี่ยไอตัวเราเองมันรับมีลักษณะแสดงอาการยังไงที่เราบอกว่าเราปล่อยวางไออสังขารที่ถูกดูถูกรู้ถูกต้องแล้วล่ะแล้วตัวเราเองอ่ะมันจะมีลักษณะยังไงที่เรต้องถูกปล่อยวางมันจะแสดงอาการยังไงขึ้นมาแสดงก็แสดงเวลาคิดอะไรจุกจิกจุกจิกอะไรเนี่ยเราก็รู้นะ เออเป็นอะไรคิดขึ้นมาเราก็รู้รู้ตลอดเวลาเดี๋ยวได้ไขอแทรกตรงนี้ได้หน่งยสิยนมป้ามาไหลพูดตรงนี้นะอะไรจุกจิกจุกจิกจุกจขึ้นมาเราก็รู้นะแต่โยอมป้ามาไหลไม่ไม่ไม่พูดถึงไอ้ตัวหลังนี่เลยมันจุกจิกอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้เราก็รู้แล้วเราก็วางไปเราก็รู้เราก็รู้ไล่ตัวนี้เราโยนพื้นไปทําไมอ่ะเราก็รู้เราก็รู้เนี่ยเราก็ปล่อยวางไวางตัวเองไปอ่ะ เข้าใจยัง่ะเข้าใจแล้วค่ะเอาใหม่ดิก็ปล่อยวางสังขาร น, นะคะแล้วก็ไปวางสิ่งที่ที่ที่เราที่เรารู้นะคะที่มันจุกจิกจุกจิกตัวนั้นน่ะมันก็คือตัวเราเนี่ยเนียเราก็ปล่อยวางตัวนั้นน่ะระ ว, วังตัวตนของเราไม่ซ้องไม่มีตัวตนก็วางไปเลยนะคะมันก็สิ้นสังขารปงแต่งแล้วไ อ, ไอตัวเราผู้ไปดู ตัวเราผู้ไปรู้แล้วตัวเราผู้ไปปล่อยวางไม่เห็นอยมว่าเมอะไรพูดถึงเลยวางแต่จุกริกจุกจิกก็วางไปจุกจิกจุกจกก็วางไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวเราผู้ไปดูตัวเราพู้ไปรู้ตัวเราพู้ไปปล่อยวางแต่ละขณะปัจจุบันน่ะไม่เห็นพูดถึงว่าตัวเนี้ยเป็นมันเป็นตัวเราเนี่ยเนี่ยคือถูวการรู้สึกเป็นตัวเราที่ต้องถูกปล่อยวางก็ปล่อยวางตัวนั้นในดวงตาปล่อยวางตัวนั้นค่ะตัวไหนตัวรู้ว่า อยากให้พูดอย่างนี้ตั้งนานแล้วมันพูดไม่พูดถึงตัวรู้ตัทีจะไปปล่อยวางแต่อาการที่ถูกรู้หมดแหละเพราะว่าตัวร้ายสุวนหคือตัวรู้ตัวรู้ตัวดูตัวรู้ตัวผู้ปล่อยวางในไหนตัวเนี้ตัวร้ายไม่พูดถึงตั้งทีเข้าใจแล้วค่ะเอาใหม่ใหม่ก็ใจแล้วไหนพูดสิอ่ะปล่อยวางตัวเราเนี่ยค่ะปล่อยวางตัวเรายังไรเราปล่อยวางย่งไรปล่อยวางตัวเราปล่อยวางองที่มันชุกชิกชุกชิอยู่อย่างนั้นนะคะมันคือตัวเรา แล้วก็ปล่อยวางตัวนั้นดูปล่อยวางตัวตนเมื่อถึงมันไม่มีตัวตนไม่เบิดกับไม่มีไม่มีตัวตนเราก็ปล่อยวางตัวนั้นซึ่งมันเป็นจิตเป็นตัวของเราเองอ่ะตัวนั้ น, นที่เราจะต้องปล่อยวางออ๋ทำไมโยมป้ามาะลัยไม่พูดถึงให้ผู้ดูผู้รู้ให้ผู้วางเลยนะพูดแต่เรื่อง ปล่อยวางตัวตนปล่อยวางตัวตนปล่อยวางอาการจุกจิกจุกจิกไอความรู้สึกเป็นตัวตนน่ะตัวนั้นมันอยู่แต่ไอผู้รู้ผู้ดูผู้รู้ผู้วางเนี่ยดวงตาเขพยายามจะเน้นตรงเนี้ยดียวป้ามาไรไม่พูดถึงตรงนี้ตักคำหนึงทุกรอบเลยเป็นเป็นทำไมทำไมไม่พูดถึงไอตัวไอตัวผู้ไปวางเขาอทําไมพูดถึงแต่เรื่องไปไอสิ่งที่ถูกวางไะตัวเราผู้ไปดูไปรู้แล้วก็วางเขาไปดูไปรู้แล้วก็วางเขาไปดูไปรู้แล้วก็วางเขาไอวางตัวผู้เนี้ยวางไอตัวผู้ดูผู้รู้แล้วก็วางเขาเนี่ยตัวผู้วางเขาเนี่ย ไออาการที่ถูกวางเนี่ยมันมันก็ต้องถูกวางอยู่แล้วอาการที่ถูกดูถูกรู้ตั้งหวางแต่ความเป็นตัวเราเนี่ยความรู้สึกเป็นตัวเรามันอยู่ตรงที่เนี่ยไอผู้ไปดูไปรู้แล้วผู้วางเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราวางให้ผู้ดูผู้รู้ผู้วางได้มันจะวางตัวเราไปได้เอาตัลงวางเลยเนี่ยเอาดูซิเอาวางไงปไปไปวางตัวที่ผู้ดูผู้รู้เนี่ค่ะจุกจิกจุกจิกนั่นเนาะก็ปวางตัวนั้นนะคะปวางตัวเราผู้รู้อ๋อไปปฏิบัติก่อนละกันเอา เราก็มาว่ามาดูใหม่เหมือนกับคือมีอะไรเข้ามาเราก็รู้เราก็รู้มีอะไรที่เข้ามาตลอดเวลาเราก็รู้เนี่ยเราก็ปล่อยวางตัวเนี่ยปล่อยวางอะไรมีอะไรเข้ามาเราก็รู้เราก็วางไปมีอะไรเข้ามาเราก็รู้แล้วเราก็วางไปมีอะไรเข้ามาเราก็รู้แล้วก็วางไปวางอะไรอ่ะปล่อยวางตัวตัวเราผู้รู้นะคอ่าใช่ไหมครับใช่ค่ะ หลวงพันเอะอะไรหลวงอะไรเอซี่อะไรออะไรเอาหายหลวงเออะวางะวางอะไอ้ออะไรอะไรนะฮอ้อเห็นแล้วอ้อเออวางแล้วอ้อรู้หรือว่าเออรู้รู้ว่าเออวางเอออะไรเอโจบบุเหลือยังมีวางแล้วยังมีตัวที่เข้าไปไปควานหาว่ามีตัวเข้าไปควานหาไปตำรวจตรวจสอบ มันยังวางไม่ได้วางตัวเราจริงเนี่ยคือมันพอระวางแต่ละครั้งไปแล้วก็มีตัวเราก็าไปตำรวจตรวจสอบพอวางแล้วก็ยังมีตัวเราในความรู้สึกก็มันมันมีความรู้สึกเป็นตัวเราวางปุ๊บเราเราก็มีตัวเราไปตรวจสอบว่ามีอะไรที่ยังไม่วางคล้ายๆกับว่าเ อ, อ้าทุกอย่างเนี่ยทำคขามสะอาดไปแล้วแล้วก็เรามีตัวเราเข้าไปตรวจสอบอีกมีอะไรอีกเรายังไม่ได้วางไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยไม่ไม่หาสิ้นทุกมันต้องมีตัวเราคอยตารวจตรวจสอบคอยป้องกันคอยพยายามจะรักษาให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา มันยังมันไม่สิ้นความมีตัวเราเออถ้ามันสิ้นตัวมีตัวเราจะสกระปรกมันจะสะอาดมันยังไงก็สิ้นความยึด ถ, อถือแล้วไหนเไมเห็นเลยเอออะไรอี่แหละที่ลุงตาพูดนี่พอเข้าใจไหมเนี่ยอ๋คือวางเอาไว้ที่รูาโล่เอาโล่แล้วเอาวาอ้ที่เฮล์มความรู้สึกอะวางความรู้สึกว่าเป็นตัวเราอ่ะความรู้สึกว่าเป็นตัวเราตรงนั้นเนี่ยความรู้สึกที่เราว่าเอออย่างอะไรเรายังไม่ไว้ใจว่ามีอะไรที่ยังไม่วาง อ, อีกเรายังพยายามวาง แล้วมีความรู้สึกว่าเราพยายามจะไปวาง ไ, ไงาวางไดด้ไปคอยตั้งท่าวางไว้ะไปคอยตั้งท่าวางไว้แล้ววางเสร็จก็ยังไปซ้ําเติมมีความรู้สึกเป็นตัวเราเข้าไปต้องรวจอีกว่าีเรามีมอะไรบ้างที่เรายังไม่วางแล้วก็ตั้งท่าวางอีกอย่างนั้นไอความรู้สึกอันเนี้ยมันยังไม่ถูกมันยังไม่ถูกปล่อยวางไว้ด้วยเพราะมันเป็นความปรุงแต่งคาไว้เนี่ยมันเหลือไว้ใช่ดูแต่พี่เขาแต่พี่ให้เห็นตัวนี้ ตัวที่รูว้วานค่ะแต่พอก็ใจใช่ไหมตัวเนี้อ่อาอาอออมัส ก, การค่ะหลวงตาเมื่อเช้าหลวงตาอธิบายเรื่องกายเรามันก็เหมือนโครงสร้างตัวนี้จิตก็เหมือนกับที่เรานั่งอยู่ในบริเวณนี้คนเดินไปเดินมาส่วนตัวผู้รู้ก็คือตัวอากาศถ้าเข้าใจค่ะหลวงตามันต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ของมันไปอ่ะค่ะ เราม่้ที่เพียงวางการยึดถือตัวสงตัวจิตปรุงแต่งอะไรแล้วก็มีหน้าที่เห็นมันแล้วก็รู้ค่ะความรู้สึกที่ปฏิบัติได้แต่ละครั้งแล้วมีความรู้สึกว่าเราเรายินดีพอใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วเราเข้าใ จ, าาใจโอ๊ยคราวนี้เราเข้าใจจริงๆอะ่ะยังมีเราค่ะมันไม่สิ้นความรู้สึกมีตัวเราอะเ น, นี่ย ค่ะมันกระยิมมันมีตัวเราเป็นตัวไปทนเหลือทนโทษเวลาดันจะมาถูกก็จะลากข้าไปค่ะค่ะเป็นตัวที่ทําได้แล้วก็หยิ่มยิ้มย่องเรารู้ตัวเรารู้ตัวเราตัวเรามันไม่ได้ว่ามีอาการมีอาการอะไรเกิดขึ้นมาก็คงมีแต่อาการมีอาการอะไรเกิดขึ้นมาคงมีแต่อาการตัวเราไม่มีมีอาการอะไรก็เกิดขึ้นมาคงมีแต่อาการที่มันเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละตัวเราไม่มีแต่นี่พอมันมีโอ้มันมีอาการรู้แจ้งมีอาการเข้าใจ มีอาการดีใจมันก็ไปมีตัวเราเขาไปสวมเลยว่าเรารู้แจ้งแล้วเรารู้แจ้งแล้วตอนนี้เราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วเข้าใจนะค่ะจะเพียนเป็นอวิชาเป็นความหลงหเราเนี่ยว่าไงอ่ะกับนักสการเจา้าค่ะหลวงตาก็ยังมีภาวะที่ที่พอเห็นแล้วก็ยังมีตัวเราเข้าไปจัดสรรบ้างอ่ะค่ะแต่พอเห็นแล้วก็ มันก็มันก็ใหญ่ตอนนี้พี่เราลึกรู้ยังทําได้บ้างอ่ายังหลงหลงคิดหลงปรุงแต่งบ้างบางช่วงก็รู้ ร, รู้ตามมันตามที่มันเป็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังสลับกันอยู่อ่ะค่ะยังหลงไปเอาสังขารที่มันปรุงแต่งได้มาเป็นตัวเรามาเป็นตัวตนของเราหรือกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ย สามารถสังขารได้สามารถคิดนึกตึกตองปุงแต่งดิน้นรนค้นหาแยกแยะประมวลผลพยายามทําความเข้าใจได้พยายามรู้ละปล่อยวางได้กลายเป็นว่าอยู่ๆดีๆก็มีตัวเราที่เป็นตัวสังขารปุงแต่งขึ้นมาได้ตอนที่ตัวเราก็ไม่มีตัวตนของเราจริงๆก็ไม่มีจิตเดิมแแท้หรือใจทั้งเดิมแต่แท้มีมมมมแต่ความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติวิญญาณนี้มาเกิดเนี่ย แท้ๆที่ไม่มีอวิชาไม่มีความหลงเนี่ยมันมีแต่เป็นแต่ความว่างเปล่าไปหนึ่งเดียวกับธรรมชาติตัวตนไม่มีหรอกแล้วอยู่ๆเนี่ยกลายเป็นว่าหลงเอาตัวเราไปคิดเยี้ยงเยยงไปปรุงแต่งไปดิ้นรนไปดีใจไปกระเพื่อมไปไหวๆได้พรงที่เรามาจากแท้ๆมาจากวิญญาณแท้ๆจิตแท้ๆหรือใจแท้ๆเนี่ยมีแต่ความว่างเปล่าไปหนึ่งธรรมชาตินี่ไม่อาจคิดไม่อาจนึกไม่อาจตึกต่อปรุงแต่งอะไรได้ที่เขาเรียกว่าวิสังขารวิก็คือไม่สังขารคือไม่สังขารไม่อาจสังขารได้ หรืออะสังขารตถาทัตอ่ะก็แปลว่าไม่สังขาอสังขารตถาทัก็คือเป็นธาตุที่มันมีการปรุงแต่งได้มีอะไรปรุงแต่งได้หรือตัวมันเองปรุงแต่งขึ้นมาได้ดังนัน้นเราแท้ๆเป็นวิสังขารหรืออสังขาตถาทัที่ไม่อาจปรุงแต่งได้และไม่มีอะไรมาปรุงแต่งมันได้เพราะบอกมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ความว่างป่าเหมือนกับธรรมชาติดัง น, น, นั้นอยู่ๆเนี่ยเอเราหลงเอาตัวเราไปคิดไปปรุงแล้วคิดอย่า ง, งานั้นหาคุณธรรแบบนี้ หาถูกหาผิดเอ๊ะอย่างนี้ถูกหรือผิดผิดหรือถูกเอมันเราจะต้องพยายามมากขึ้นเราคิดหาหนทางจุกยิ๊กจุกยิ๊กจุกยิ๊จุกยิ๊อ้าวอยู่ๆทาไมเราไม่มีแล้วกลายเป็นมีตัวเราไปสังขารได้เอาสังขารนะเป็นตัวเราเอาตัวเราไปสังขารจุกยิ๊กจุกยิ๊กได้ก็เราเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนไม่อาจสังขารได้เป็นวิสังขารหรือเป็นอัสังขาตถาทัแล้วอยู่ๆก็เอาเราไปสังขารได้จุกยิ๊กจุกยิ๊กจุกยิ๊ก ต้องปฏิบัติงี้เปล่าอย่างงี้เปล่าหรือต้องเป็นอย่างงี้หรือต้องงี้อย่างนั้นเอามาทาไมเอาไปปรุงได้และตัวปรุงได้มันเป็นอไรมันเป็นขันห้าเป็นตัวปรุงแต่งมันเป็นของเกิดดับเป็นของตายเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ของตายเป็นตัวเราเอาของเราไปไอ้ตัวของที่เกิดดับที่มันตายได้เราก็เลยต้องไปเกิดตายเกิดตายตลอดไปเราทําไมไม่ไปเป็นของที่ไม่ตายไม่เกิดไม่ตายคือวิสังขารนะสังขตัดธาตุปล่อยวางให้ของเกิดตายไปได้ให้หมดที่มันสังขารได้กระเพื่อมได้ เรากลับไปเอาเราไปเป็นตัวตายได้คือตัวที่มันเกิดดับได้คิดเป็นตัวตอมปรุงแต่งได้กระเพิ่มได้หาเหตุหาผลมีความพยายามได้ใช่ไหมเอี่ยนิ่งายดีๆสิจริงก็เปล่าอย่าไปเอาไว้ตัวตายเป็นตัวเราเองตัวที่มันเกิดตายได้อ่หรือเอาตัวเราไปตัวที่เกิดตายได้เอาตัวเราไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายามเพ่งจ้องพยายามจะทําให้ตัวเราเป็นอย่างนู้ตัวเราเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวเกิดตายมันเป็นของต้องแตกดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับ มันเป็นของตายเราไปเป็นตัวตายซะแล้วมันก็ต้องเกิดตายเกิดตายเกิดตายไม่มีธีจบสิ้นถ้าเราปล่อยวางไอ้ตัวที่เกิดตายได้หมดเนี่ยไม่มีตัวเราปรากฏเลยตัวไหนปรากฏเป็นของเกิดตายหมดไม่เอาเลยปล่อยวางหมดไม่หลงเอาตัวเราไปไ ป, ไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปไปรุงแต่งไปไปไหวไหวไหวไวเนี่ยในลักษณะอย่างใดเลยปล่อยวางไอ้จิตที่ไหวไหวไหวไหในลักษณะต่างๆไป ห, หมดไม่ว่าจะคิดจะนึกจะตึกจะตองจะแสดงพฤติกรรมอย่างไงก็ตามปล่อยวางมันไปให้หมดเพราะมันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นสังขารเป็นสิ่งปลงแต่งเป็นสิ่งเกิดดับเป็นเป็นของตายอย่าไปยุ่งกับของตายอย่าไปยึดของตายเราเป็นของไม่อาจตายได้ไม่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายถ no life, ้าเราเป็นของเกิดตายได้เนี่ยไอ้ร right. ่างกายเนื้อเนี่ยเป็นตัวเราไอ้กายจิตเนี่ยที่มันเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้เป็นตัวเราได้จริงๆก็ดีสิพอไอ้ร่างกายเนื้อกับายจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันตายดับปุ๊บเราก็ดับศูนย์เลยแบบเนี้ย ตอนนี่พอกายเนื้อตายแตกดับไอตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ดับไปด้วยแต่เราแท้ๆมันไม่ดับสิมันปัญหามันอยู่ตรงนี้เนี่ยคือไอกายเนื้อที่มันพูดจ่อยๆจ่อยๆเนี่ยมันดับเน่าเปื่อยดับไม่สามารถพูดได้ตากระเน่าหูก็เน่าจมูกกรเน่าลิ้นกระเน่าปากกระเน่าแล้วร่างกายก็เน่าสมองก็ดับหมดแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจประตูใจมันดับหมดแล้วทวารดับหม ด, ม ด, หมดวิ ญ, ญญาณขันเนี่ย มันก็ไม่มีวาวที่จะรับรู้ได้เพราะวิญญาณขันมันต้องรับรู้ตามวาวคือประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจเมื่อประตูทั้งหกมันเน่าหมดวิญญาณขันเนี่ยมันก็ไม่อาจมีประตูที่รับรู้วิญญาณขันมันก็เลยดับนี่วิญญาณขันมันทํางานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันดังนั้นวิญญาณขันเนี่ยมันจะไปรู้อะไรมันก็ต้องรู้ผ่านประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจแต่ประตูทั้งหกมันเน่าแล้ว วิญญาณาขันโหมดประตูที่จะไปรับรู้วิญญาณาขันก็เลยดับเมื่อวิญญาณาขันเนดับส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารไม่ได้เพราะอีกสามขันต้องอาศัยวิญญาณขันเวทนาสัญญาสังขารก็เลยดับสรุปแล้วขันห้าดับหมดเห็นไหมเพราะขันหน้าดับหมดเนี่ยไอขันห้าที่ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่ใช่ขันหน้าถ้าตัวขันหน้าเป็นตัวเรามันดับหมดแล้วเราก็สบายแฮ่เลยเยมมรทุ่นไป่ต้อง ม, า ม, ามาหาเราเจอแล้วกรรมทั้งหลายก็ให้ผลไม่ได้เพราะเราดับหมดแล้วแต่มันไม่ดับประสี่ตัวเราจริงๆมันไม่ดับ ไอ้ร่างกายเนื no doubt, so, ้อดับแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับแล้วขันห้าดับหมดแต่เราไม่ดับพระเจ้าที่นี้มันปัญหามันน่ะตายแล้วเนี่ยยมบทูนมาเอาแล้วมาพาไปแล้วยมบูรทุมาพาไปแล้วนี่ปัญหามอยู่ตรงที่เราไม่ดับนี่เนี่นี่เนี่ยยมบทูนเป็นพามาพาไปเลยนั่นแหละพระเจ้าเลยตัดว่าเราจะดับได้มีกรณีเดียวคือต้องสิ้นยึดสิ้นสังขารฟุ้งแต่งมันถึงจะดับได้มีกรณีเดียวเท่านั้นที่เราจะดับได้ต้องสิ้นสังขารสิ้นหลง ไปเอาไว้ขันหน้าที่เป็นร่างกายเนี่ยที่มันเป็นของตายไปหลงเอาไว้เวทนาสัญญาสังขาวิญฉาณคือไอ้ตัวตัวเราที่เป็นสามารถมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆได้เนี่ยมาเป็นตัวเราไปเส้นหลงยึดสองตัวเนี่ยคือกายเนื้อกับกายจิตเนี่ยมันก็จะไปเป็นไอ้เราแท้ๆที่มันปรุงแต่งไม่ได้มันก็เลยไม่เกิดไม่ดับแต่ถ้าเราจะไปยึดเอาไว้ตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นตัวเรามันจะต้องไปเกิดดับเพราะาเราไปเป็นเอาไอตัวที่มัน เกิดดับได้เป็นตัวเราซะแล้วเราผิดตัวเรายึดผิดตัวไม่ทราบเข้าใจไหมเนี่ยเอา้าอธิบายทวนกลับไปสิพอมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราเราไปเ อ, อจัดสรรปรุงแต่งปรุงแต่งมานะคะจนมันมันไม่เห็นว่าประจักแต่ว่าเป็นสังขารนะคะเรากล่าวกายไปเป็นสังขารปรุงแต่งแทนนะคะเออถูกแล้วมันหลงสังขารอย่างนั้นแหละอย่าหลงสังขารอีกนะ มันว่ามันสอนตัวเองมันจะหลงสังขารแบบนี้อีกอย่าหลงเอาเราไปเป็นตัวสังขารอย่าเอาตัวสังขารมาเป็นตัวเรามันว่ามันบอกมันสอนเราต้องบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆตลอดเวลาไม่นานเราเดี๋ยวมันก็ฉลาดจิตะลูกหมาลูกแมวเราเลี้ยงไว้ในบ้านมันเข้าไปขี้ในบ้านเราตีดูว่ามันขนาดน่ำยิ้ไปขี้เยอะในบ้านแล้วออกก้นมันออกไปจิ้มจิ้มดินหน้าบ้านไม่กี่ทีหลังเดี๋ยวมันก็เข็ดมันก็ไปขี้เยอะนอกบ้านแล้วมันก็มาขี้ในบ้านนี่จิตเราฉลาดกว่าหมาแมวสอนมันไม่กี่ทีแล้วว่า เฮ้ยเราสังขารไม่ได้ทำไมเอาตัวสังขารมาเป็นตัวเราเนี่ยเราไม่อาจสังขารได้ทำไมเอ้าเราไปเป็นสังขารแล้วเนี่ยทำไมเอาสังขารเป็นตัวเราทำไมเราตัวเราไปคิดเยงเยีงยได้ทำไมเอาตัวที่มันกระเพื่อมไหวตัวได้มีอารมณ์ต่างๆได้เป็นตัวเราได้เนี่ยเอ้าหลงอีกแล้วว่ามันดามเข้า